ท่นสาธุรชนพระธรริษท์ทั้งหลายสำหรับเรื่องหนีนรกตอนนี้เป็นตอนที่21ดตอนนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนการปฏิบัติตนเพื่อห น, นีนรกแบบง่ายๆและเบาๆหรือที่เรียวกว่าแบบชาวบ้านคือแบบคนที่มีภาระมากมีเวลาว่างน้อยปฏิบัติ สำหรับเรื่องการหนีนรกคอตอนนี้ก็ขอนำเรื่องนี้มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริรัตว์โดยตรงคือ ว, ว่าการหนีนรกพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ใดสามารถตัดสัญญาณสามรายการได้ท่านผู้นั้นก็ปลอดจากอบายภูมิทั้งสี่คือการเกิดเป็นสนรก เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสเตรชานคำว่าปลอดในที่นี้หมายถึงปลอดทุกชาติตลอดไปถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดก็จะไม่ต้อ ง, องไม่ต้องลงอบายภูมิต่อไปอีกสำหรับอบาบอโกสนเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุค ต, ตัดว่าไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อไป กระรองความว่าไม่ตกเป็นธาตุเขาบาปอุปสนต่อไปอีกสําหรับสั ญ, ญสยชนำเนินการที่พระพุทธเจ้าให้ตาให้ตัดสั ญ, ญสยชนำเนินการนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าส ก, กายทิทิความรู้สึกเขาว่าคนผู้มีสั ญ, ญ์คือเครื่องร้อยรักใจให้เวียนไหตายเกิดในวัฏสงสารมีอะไรบวมเป็นต้น เขาจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ตายกลมความว่าต้องแต่เกิดมาถึงวันตายไม่รู้สึกว่าจะตายเลยไม่เคยคิดถึงความตายคิดว่าชีวิตจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยและข้อที่สองวิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าสงสัยเขาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า สงสัยพระธรรสงสัยพระอริยสงฆ์ไม่มั่นใจในการยอมรับนับถือและบางท่านบางจุดและบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับนักถือเอาจริงๆเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมาแล้วไม่เป็นเรื่องหยาบเกินไปโซ่ของเขาไม่ได้ยานี้เป็นต้นพูดง่ายๆกัหมายความไม่ยอมนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ยังยอยข้อดีสามศีลปะปรา ม, มาตไม่มีการรักษาศีลอย่างจริงจังหรือไม่รักษาเลยขึ้นชื่อว่าศีลไม่ยอมรับับถือเห็นว่าเป็นจริยาที่ถ่วงสังคมถ้าบุคคลมีศีลเสียหมดชาติจะไม่เจริญมนุษย์จะน้อยเกินไปและบางท่านก็สมาทานศีลถือศีลเข้าวัด นุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างนุ่งปกติบ้างบางทีก็เข้าเขตปฏิบัติเป็นคนในเจ็ดวันสิบห้าวันเป็นการปฏิบัติพิเศษแต่ได้ว่าเฉพาะในเจ็ดวันสนะิบห้าวันอาจจะปฏิบัติจริงจังในศีลก็ได้แต่พอหมดมนแล้วก็เลยลืมศีลไม่สนใจเรื่องศีลบางครั้งก็ยอมรับนับถือปฏิบัติศีลบางวัน ถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำกันไม่สนใจเใรื่องศีลจริงๆอย่างนี้เรียกศีลศิลปตปรามาตทั้งสามรายการนี้ต้องตัดวิธีตัดท่ายังไงก็ใช้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาได้แค่ความเห็นชอบเข้ามาพิจารณาตามความเป็นจริงแต่ความจริงเรื่องของความตายนี้ไม่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาก็ได้ ใช้สัญญาคือความจำเจนว่าคนก็ดีใส่ ก, ก็ดีที่เกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างต่างคนก็ต่างตายหมดคำว่าหมดหมายความคนที่เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นเว้นไว้แต่ว่าใครตายก่อนตายหลังเขาเท่านั้นใส่ ก, ก็เหมือนกันบางท่านเกิดก่อนเราท่านตาย บางท่านเกิดรุ่นเราเค้าเดียวกันท่านก็ตายไปก่อนเราบางท่านเกิดที่หลังบางท่านเกิดวัยเด็กก็ตายบางท่านตายท่านก่อนออกคลอดจากคันมันดาบางท่านก็คลอดจากคันมันดาประเดี๋ยวหนึ่งตายบ้างสองสามวันตายบ้างเดือนสองเดือนตายบ้างขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วตายเราเห็นเป็นปกติ แต่การที่ไม่คิดถึงความตายนี่เป็นเรื่องของคนที่ตกอยู่ในความประมาทไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจิตของเราเพราะจิตของเรามันดีหรือมันเลวของจริงถ้าเราไม่ยอมรับเรายอมรับของไม่จริงว่าเป็นของจริงของไม่ดีเรายอมรับว่าเป็นของดีเราก็จะไม่พบของจริงไม่พบของดีกัน เป็นนั้นว่าความตายเห็นก็ตายจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่าการตายพระพุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> ว่าตายแล้วมีสภาพใหม่ศูนถ้าเวลาก่อนจะตายจิตประกอบไปด้วยกุศลเมื่อจิตเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงความดีที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตายในขณะที่จิตดีแบบนั้น ท่านบอกว่าตายแล้วไปโ ส, โ ส, โสู่สุติคือโลกสวรรค์เป็นต้นแต่เวลาก่อนจะตายจิตใจเศ้าหมองคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ลงอบายภูมิไปมีนรกเป็นต้นฉะนั้นขอบันดแาแท่านพุทธศาสนิกชนผู้ไม่ต้องการจะลงนรกอีก ก็ใช้ปัญญาพิจรารณาความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดียังไงเวลานี้เรากําลังศึกษาสัญญาณสามแล้วก็พิจรารณาความดีพระเจ้าในขอบเขตของสัญญาณสามว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตัดให้ทุกคนปฏิบัติในศินห้าและกำหนดสิบมันดีหรือมันชั่วขอพูดลับไปก่อน เขพูดมามากแล้วต้องถือว่าคนที่ปฏิบัติในสินห้าก็ดีในกำหนดสิบก็ดีผลที่รับคือเป็นความดีพอสินก็ดีกำํำหนดสิบก็ดีท้าซ้อมราการถ้ารวมกันเข้าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไปที่ไหนใครก็รักหนึ่งเราไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่คิดจะฆ่าเขาไม่คิดจะเป็นศัตรูของใคร มีความเมตตาปรานียิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครก็ชอบในการที่สองเรามีความเมตตาปรานียิ้มแย้มสัมผัสยังไม่พอมีสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมไม่เยอะแยะทรัพสมบัติของใครไปที่ไหนมันก็มีแต่คนไว้วางใจมีแต่คนรักมีแต่คนชอบในข้อที่สา จิตใจมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครเจอหน้าก็บพบแต่ความยิ้มหน้าบึง่งเคร่งจอไม่มีแล้วก็มีสันโดษยินดีเฉพาะร่วมรักเฉพาะสามีและพันยาเขาตนเท่านั้นไม่ไปยุ่งกับพันยาและสามีเขาบคคลอื่นคนประเภทนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบ ต่อมาด้านวาจา <c oughs> ทุกคนต้องการวาจารจริงทุกคนอยากจะฟังวาจาไพเราะทุกคนอยากจะฟังวาจาที่ประกอบด้วยความเป็นมิตรไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันทุกคนต้องการวาจาเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์เราก็ใช้วาจารจริงพูดตามความเป็นจริงตัดความมดเท็จออกแล้วก็ตัดวาจาหยาบออก ให้วาจาที่ผ่องอ่อนหวานเป็นที่ชอบใจเขาคนตะโ ม, ม่คนตะกมกลุ่มนี้ชอบใจแบบนี้เราพูดแบบนั้นกลุ่มนั้นเขาชอบใจอย่างนี้เราพูดแบบนี้พูดตามที่เขาชอบใจและก็มายุโยงส่งเสริมให้ใครแตกเรากันมีแต่สันเสริญในการพูดวาจาออกไปก็ต้องเพ่งประโยชน์วาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่ทา อย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบขอยืนยันว่าคนประเภทนี้น่าก็ยิ้มพูดก็ดีคนประเภทนี้ไปไหนไม่อดตายมีเเพื่อนที่รักคนเกลียดหายยากคนที่เกลียดก็มีพวกหนึ่งคือพวกคนเลวที่มีความดีไม่เท่าไปถึงก็มีความอิจฉาทิสยาที่พอกเป็นของธรรมดา ต่อไปข้อที่ห้าของศีลท่านบอกแนะนำให้เว้นาการดื่มสุราไดเมรัยนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการดื่มสุราไดเมรัยมาเสียสตังเปล่าถ้าสตังเหล่านั้นมาทำกับคอซื้อกับข้าวจะมีประโยชน์กว่าและก็ทำลายศักดิ์ศรีทำลายสุขภาพเมาไปแล้วก็ไม่ใช่คนดีมีเจตยาคล้ายคนบ้า ยังไม่เมามีการนิ่มโนวนทุกอย่างพูดจาก็ะพรเราะจริยามันได้ก็ปัญญาตรยามันยากก็งดงามพอเมาเข้าไปแล้วกลับอาการใหม่เหมือนคนบ้าอย่างนี้ใครก็ไม่ชอบถ้าเราไม่เดี๋ยสุรามีไรสติสัมปัญญะสมบูรณ์มีความไม่ประมาทมีเมตตามีกุรณาและมีสันโดดมีการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรก็มีหลักฐาน มีความมั่นคงในคำพูดอย่างนี้เป็นต้นใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็รักต่อไปกำลังใจของเราไม่คิดอย่าได้ทรัพย์สมบัติกขว่าคนอื่นใดยินดีเฉพาะที่เราขอเืริหารได้โดยชอบธรรมกำลังใจดีอย่างนี้ใครก็ชอบเขาอาจจะไม่เห็นคำอารมณ์ของใจแต่เห็นจริยาภายนอก ไปแล้วเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านเราก็สนใจเขามีอะไรดีบ้างแต่ไม่สนใจในการรักการขโมยการยืเก่งจริยาที่สแสดงออกมาบรรดาเป็นพุทธบริษัทคนที่อยากได้ด้วยความสุจริตกับคนที่อยากได้ด้วยอาการทุจริตอาการสแสดงออกทางกายไม่เหมือนกันอย่างนี้คนในโลกทุกคนเป็นคนจะหลิญเขาทราบว่าเราดีและเราเลว ในรายการต่อไปเว้นจากการความโกรธความเพยาบายข้อนี้สำคัญมากเพราะอาศัยมีเมตตาความรักกรุณา ม, มีความสงสารอันนี้ถ้าเว้นได้หน้ายิ้มตลอดกาลทายาการก็ว่ายิ้มตลอด24ชั่วโมงก็ได้ทายาทโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะแต่โกนถามมาว่า24ชั่วโมงยิ้มไม่ได้แน่เพราะว่าเวลาหลับมันดี ก็ต้องถือว่าเวลาหลับใจก็ยังยิ้มเพราะจิตเป็นสุขคิดแต่ความเป็นมิตรคิดแต่รักก็สงสารคนอื่นอยู่เสมอจิตใจก็ชุ่มชื่นเยือกเย็ยนคนที่มีกำลังใจไม่โหดร้ายเวลาจะพูดก็พูดดีเวลาจะทำก็ทําดีว่าการพูดก็ดีการทำก็ดมีมีอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญ ใจิตใจสั่งอามาดีกายก็ทำดีปากก็พูดดีตา ก, ก็มองดีถ้าใจิตใจสั่งเร็วกายก็ทำเร็ววาจากระพูดเร็วตา ก, ก็มองด้านความเร็วความดูร้ายใครเขาก็รู้ถึงแม้ว่าจะคิดในใจอย่าเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้เพราะเขาก็แสดงเป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างนี้เขามีเหมือนกันและก็ข้อสุดท้ายสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือตัวปัญญา สมาธิิก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเป็นของดีเรานําไปพุทธปฏิบัติถ้าทุกคนทําได้ทุกคนจะมีแต่ความสุขข้อนี้เป็นข้อเปิสูน์ความดีของพระพุทธเจ้าเพราะเพราะเป็นพระธรรมคําสอนคําสั่งสอนของพระองค์และก็เป็นเครื่องเปิดสูตรความดีของพระอริยสงฆ์เพราะว่าในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์นำมามาแจากมาบอกพวกเราจาริงทราบ สำหรับพระธรรมนั้นได้เกิดสิ่งกมความเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมนับถือพระอริยสงฆ์แล้วนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าทําได้แค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัทเราสามารถจะหลีกนรกได้เป็นตอนๆคือชาตินี้เมรมณ์อย่างนี้เป็นปกติชาตินี้ลงนรกไม่ได้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่นี้มันไม่แน่ เราอาจจะลืมอารมณ์นี้ก็ได้ไปคิดความเลวเข้ากับลุมนรกได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ลงนรกทุกชาติต่อไปก็ทรงสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบทุนบริบูรณ์มันเป็นขอไม่ยากถ้าเป็นคนรักดีการปฏิบัติอย่าง น, นี้บรรดาธรรมพุทธวิษัทถพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติได้แล้วขึ้นเที่ยวบายภูมิทั้งสี่ประการ คือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายเป็นสัติฉันจะไม่มีสําหรับเราเด็ดขาดตลอดไปเลยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าจะเกิดได้อีกกี่ชาติก็หมายความว่าทุกชาติจะไม่มีการลงอบายภูมิทั้งสีหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์ปฏิบัติได้คือคิดถึงความตายก็ดี คิดได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมีสินห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะไม่มีกรรมวจิปอย่างนี้พระพุทธเจ้าทอนจัดเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกําลังใจเข้มข้นน้อยคือเมรุอรย่างหยาบเรียกว่ามีบารมียังอ่อนอยู่แล้วรักษาได้ยังแม้ว่ากําลังใจยังอ่อนก็รักษาได้ อย่างนี้องค์สมเด็เจพระจอมไตรปรมโคท่งตัดว่าจะต้องเกิดและตายสลับกันระหว่างเทวดากับพรหมหรือว่ามนุษย์เพื่อเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติตายอีกชาติที่ไปเป็นเป็นไปเป็นทปเปนทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติลงมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติไปเป็นเทวดาหรือพรหมอหนึ่งชาติรวมแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เจ็ชาติเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติ ชาตสุดท้ายที่เจ็ดขึ้มนุษย์ชาตินั้นจะเป็นพระรหันปานิพันธ์ถ้ามีกําลังบารมีคือกําลังใจเข้มข้นไปานกลางอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติสลับกับเทวดาด้วยผมตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชาติที่สามจะเป็นพระราหันปานิพันธ์ ถ้ามีกำลังใจเข้มข้นจะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วก็เป็นปรารานแต่ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติชิ้นห้าได้โดยกรหมดสิบได้ครบพุบ่นบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอาตมาพิจารณาธรรมะดูแล้วหายอย่างไหนก็แน่นอนไม่ได้ เอาแน่นอนได้ดีกรรมบทสิคือข้อว่าว่ามโนกรรมข้อท้ายสาข้อที่ว่าไม่คิดอยาได้ทรัพย์สมบัติของไข่ไม่คิดประทุษร้ายไข่มีความเห็นโถข้อนี้แหละเป็นการบรรเทาความโลภความโกรธความโลงยางนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือผมลงมา ชาติเดียวก็เป็นพระหลานทันทีเจ้าว่าการแต่ตามแบบนี้ว่าการ ต, ตามแบบของของของตำราได้ว่าแจะผููก็ตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัทธรรมหลายโดยทุนนากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าสี่องค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆสิบพระองค์งวดที่แรกห้าองค์ มีพระสีอาดิยะมยไม่ไกลองค์สุดท้ายแล่ก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามอง์ต้นแล้วต่อไปอีก4องค์รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าถึงสิบองค์ตามตำราที่อ่านมาจะมาอ่านหนังสือไม่มากนะักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบไม่เคยพบว่ากับไหนมีพระพุทธเจ้ามากกว่ากับนี้ บางกับก็มีองค์เดียวบ้างสององค์บ้างสามองค์บ้างอย่างนี้เป็นต้นถึงห้าองค์ก็ยังไม่พบแต่ว่ากับนี้มีทั้งสิบองค์ถือว่าเป็นกับพิเศษดะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมดจะเป็นกำลังใจใจอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเข้มคนหรือคนที่มีทั้งสินห้ากระบมดสิบครบทุนก็ตาม ตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมในในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือผมนี่แหละยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นทิพถ้าศีอาริยะเมตไตรก็จะทรงตรัสยังไงไงอายุ ก, กับหนึ่งกครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือผมที่ไปเกิดขึ้น้า การสิ้นกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุ ข, ของเราฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีกหกองถ้าจะมามีความรู้สึกตามตำราหรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแต่กล้ายอย่างนี้เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาหรือผมพบพระศีอาริยะเมตไกรคือพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่งทรงตัดประเด็เทศนา ฟังบัริมัทีนาจบเดียวก็เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานอย่างนี้ได้กําไรมากบรรดาเทพุทธบริษัทถ้าไปนิพพานฉัได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่ากันเรืงการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาเทพุทธบริษัทมีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระฤา น, นีนิฤชีเวลานี้มีเถนหรือเปลาวเวา่าไม่ทราบ เห็นชีพระเนนเห็นชีเห็เนเถระแปลผู้ใหญ่โวยชียแปลวันนักบวชอาจมาปเองถูกำํำราแล้วไม่ถูกก็ไม่ทราบ พ, พระกับเนนนี่รารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าจะปฏิบัติตามหลักสูตรก็เป็นของไม่หนักนกากเวลามีมากพอสมควร กำลังใจแค่จะตัดสัญโยณสามกันจริงๆดั่งของอะไรละ่ะลืมแล้วอธิบาติสคือฉันพระมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติวิทยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรล เราก็มีความเพียรเข้าต่อสู้ตัว菩คไม่ท้อถอยตายเป็นตายจิตตะสนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิงปฏิบัติวิมัมงสาชใช้บัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกก็ไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับทำใหม่ใช่หถูกให้กำลังใจมีอิทธิบาทสิบในการครบถ้วนบรรดาแท็พุทธบริสัทธ์ทั้งหลาย ถ้าเอาจริงเอาจังกันมันก็ไม่เกินสามเดือนนี่เย็บพูดเฉพาะคราวาดนะถ้าพระกับเนนเทนฉีอัตมาไม่คำนวณท้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านโพนี้มีเวลามากถ้าเอาจริงเอาจังจะใช้เวลาถึงเจ็ดวันแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีศีลไม่ขอบเขตอยู่แล้ว ก็เลยไม่พยากรณนกันสำหรับคราวนีก็ดูตามที่องสมเด็จพระทรงสวัสดิ์สภาคสตัตวว่าการจะดัดแสงโยธสามจริงๆนั้นท่านบอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแตมีศีลบริสุทธิ์คือสำคัญที่ศีลศีลก็ดีกัหมดสิก็ดีเป็นของไม่หนัก ถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนักเลยตอนนี้หน้านี้้าเสษนี้เหลือเวลาห้านาทีก็อยกขอแนะนวในการปฏิบัติบัรดาเทพุตรบริสัท์แบบง่ายๆที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนักข้อที่หนึ่งสกายะทิฏฐิให้มีตัดสกายะทิฏฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันโทษตาย เราก็มองดูคนและสัตว์ที่เขาตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไปจนใช้ปัญญามากแต่ว่าเมื่อคิดเึืงความตายแล้วจงหยาดท้อถอยทามืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูกทำกิจการงานไม่ไหวกาเกรงความตายจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้องการประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาจรรมพุทธริษัทต้องทำให้ครบถ้วนทุกอย่าง เราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตายในเมื่อมันยังไม่ตายการประกบอบวาชีพทุกอย่างให้ความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทําให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกํากลังที่พึงทาได้เผื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้หรือป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษา ใ่้ความตายยะพึ่งเข้ามาแต่ม่ยังไม่ตายเราก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความอาการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำดูอย่างในสมัยพุทธเจ้ามหาเศรษฐีทั้งหลายมีนานวิสาขาเป็นตน้นท่านรวยแสนรวยแต่กูนี้นับเงินไม่ได้นับเป็นโกดนับไม่ได้ ถ้าคืนนับเป็นโกรนับไปสามสิบสี่สิบปียังไม่ครบยังไม่รู้กี่โกรมันยังไม่หมดก็ ต, ต้องนับกันไปเรื่มเร่มเกวียนเล่มเกวียน เ, เ, เ, เ, เขายังไม่คำนวณเลยว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเรื่มเกวียนไปรวมความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านยังทำมาหากินต่อไม่เท่วางมือวางเท้ามัฉะนั้นการประกอบอาชีพบรรดาธิาบบริษัทต้องทำ ถ้าถามแล้วทำแล้วจะมีเวลาที่ไหนไมันนึกถึงความตายก็การนึกถึงความตายที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดปแย่งเวลาการงานเลยพอตื่นขึ้นเช้าก็มาก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกอบเฉพาะความดีการประกอบอาชีพจะไม่มีการเบียดดบนใครทั้งหมด จะหากินโดยการสุจริตรมเท่านี้ก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้วตอนนี้ถ้าให้ทํากรรมาฐานเป็นพุทธานุสติกรรมาฐานคําว่าพุทธานุสติกรรมาฐานให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ดูอย่างมัไดุ้ณลีเทพบุด ท่านไม่เคยนับถือพระพุทธเจา้าตะนึกถึงนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดาสุปฏิตเทพบุตรเป็นมนุษย์เลวมากทำบาปทุกประการแต่พอจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระชิตามา น, นิดเกี่ยวไปเป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาเป็นสวรรค์เช่นดาวไถึงพระเทวโลกทั้งสองท่านนี้พระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นประโสถดาบานเหมือนกัน อาราบรดาแทนพุทธบรมศิัต์ทุกท่านเวลามาหมบเสแลนหนนานี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแน่บรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี